ถ้าโดยลำพังต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทุกขไม่ค่อยมองเห็นกันแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องควรครางอะไรมากนะักมันก็เป็นอีกอย่างเราก้าเข้าไปสู่โรงพยาบาลกับเราอยู่ตามปกติก็เป็นอีกอย่างเราเห็นคนไข้ยอยู่ในที่ต่างๆเรากล้าเข้าไปสู่โรงพยาบาลมันผิดกันไม่น้อยคนที่เข้าไปในโรงพยาบาล ส่วนมากม่แต่ค น, คนทุกข์ทุกทางร่างกายทุกทางปิตใจสาหรับคนไข้ก็ทุกทั้งทางร่างกายและจิตใจทุกเกี่ยวข้องก็ทุกทางจิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้เล่าเป็นส่วนมากเขาเป็นคนทุกข์ทางด้านจิตใจเดินเข้าไปมากน้อยห้องไหนห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกห้องคนจนกรอกจนมึ อุปยี่ยมอยี่ยมคนจนกรอกเป็นมงตัวเด่นก็เลยกลายเป็นคนเจนกอกอับเฉาทางด้านจิตใจไปด้วยนะนอกจากนั่งกัยังห้องหนึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่เรียบศพคนเป็นสถานที่ตายของคนด้วยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่รักษาที่หารโรคจากโรคแล้วออกมาโดยไถ่เดียวทนมาไหวมันจุดกําลังของหมอของยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่ในห้องนั้นๆนั่น แต่และห้องละห้องมันก็เป็นท่อของคนตายหรือเป็นป่าช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอบแซกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีคติปัญญาเกิด ค, ความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลํำดับแน่ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟล้วเท่านั้นเราก็พบรวงในจังทุกขังร่างฐาได้แล้วซึ่งเป็นป่าช้าของตัดเต็มไปหมดไม่ทราบว่าเขากันมาทังแเมื่อไหร่ แต่เราถือเป็นอาหารจึงไม่เคยสะดุดใจว่าสถานที่นั่นคือป่าช้าการต้มการแกงอะไรเป็นเนื้ออะไรก็ตามทื่ว่าตัดแล้วมันก็เป็นเรื่องป่าช้าทั้งนั้นเราถือเป็นอาหารก็ไม่ค่อยได้คิดและไม่ได้คิดว่าสถานที่นั้นเป็นป่าช้ามัน มีที่แง่ความรู้สึกเท่านั้นนะครัความรู้สึกคิดปไปในแง่ใดผลมันก็ตามตามกันไปให้เกิดความขยาขยั่งเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหานเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแง่่งความรู้สึกของตนพระพุทธเจ้า ท, าท่านถึงสอนไม่ให้มีความประมาท ในวันนี้ที่ไปแจกสินค้าเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้ น, นล่งไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกะหายกับความจะสมหวังไปงพร้อมๆกันแล้วเวลาแจกสินค้ ง, งก็โอ้หน้าทุเรยหน่าสูสเลือน่าสงสารหน้าสงสารมากนะทีเดียว ไม่จาบออกมาจากทิศไหนแดนในทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดกระหนาำกว้างกว้างจนจะหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่ได้รับความทุกข์ความลาบากเมื่อมีผู้ใดจะไปให้ความช่วยเหลือสอองเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในจิตใจทนดูไม่ได้จะต้องออกมาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมด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 วันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้เรรับความปลุกความเบาใจเย็นใจความปรีตียินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของไม่ได้น้อยๆแจกมากมายก่ายกองคนที่มานั่งก่อนรู้สึกผสมดังด้วยกันทุกครอบครัวใครเร่าจะไม่ดีใจนี่การทําบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้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 เพราะคนเรามีความลึกนตื้นนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วผู้รักก็จะมีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจด้วยการให้ภาคภูมิใจด้วยการรักน่ะเรื่องของทานจึงเป็นสิ่งจํา เ, เป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะการไหนการอะไรมาคำว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่นนี้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 กินโดยการเช่นมุดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมุดง่ามมุดลิ้นอะไรเขขนไปไม่รู้แล้วก็าก็กินด้วยกันมนุษย์ราวก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเกีย่ยวเนื่องกันมากน้อยเพียงไรก็มีความเฉียสละต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยทานทั้งนั้นวิวิธิจิตใจความเป็นอยู่เกีย่ยวเนื่องถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน เรียกว่าความยศาสลร์ต่อกันพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระวรมีเพื่อโพธิสมภานก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลำหนักจนกระ่อนวิธีจัดวิธีคุณของพระองค์นี้เวลามาตรัสลูกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสักการะบูชาทำมาให้ทานแม้คือบุคคลดาวกเช่นเดียวกันไปที่ไหนมีตั้แต่ องทิศที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องนี่ไม่ตงร้องขอจากใครใครใครก็มีความเชื่อความนองสอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์และสนทนากันในธรรมสภาที่นี้ที่ชุมนุมกันว่า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 แม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดชด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าอยี่ยเดียดเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยผลงานความดีทั้งหลายมีทานอมรามีเป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันไหวอย่างนั้นการให้ทานเป็นเป็นสิ่งจําเป็น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 นอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามพู้นั้นไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานที่ทุนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นเครื่องสนับสนุงะยกตัวอย่างเช่นพระสิโยรีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดนี้แต่คนไห ว, ว้วัดรเทวตุปัจจัยเจทานเต็มไปหมดตามถนนคนทางตามบ้านตํามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกอง์ที่หนึ่ง ในเรื่องอตยิยกรรมมากก็คือพระโมคคันแลก็คือพระสีวลีเมืม่ออดีตการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสละไปที่ไหนมีา ก, การให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อัดไม่อันทานด้วยตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะเคลียนี้จะมั่งมีที่สุขขนาดไหนก็ไม่เคยลดละในการให้ทานขอแต่มีพอได้ให้ทานเป็นให้ทานเนี มีเป็นนิสัยมาโดยลำพังเพราะฉะนั้นเดลาวาระสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศในเรื่องอัติเดชลาภไม่มีองค์ใดองดายเสมอเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นมันเป็นอุปนิสัยของท่านบรรดาพระพระสาวกที่เป็นพระหารด้วยกันจึงมีเอตตะคะ ค, คือความเลิศต่างกันไม่ควาจะซ้ำกันเนื่องจากเจดียนิสัยที่มีความหนักแน่น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 ไม่มีคนถวายจะติดปัจจั ย, ทยธทวทานมากสมความเป็นพระอรหันต้างท่านก็มีมีเพราะอุปนิสัยที่เคยสร้างมาต่างกันคำว่าอุปนิสัยเป็นจินที่ฝังแนบอยู่ภายในจิตใจทำจนเกิดเป็นความเคยคินภายในจิตใจ ไม่มีใครบอกก็เป็นความถนัดใจเป็นความอยากทำไปเองนั่นทันโยะมันเป็นเป็นอุปนิสัยแล้วหรือเป็นมิสัยแล้วอันนี้พูดถึงเรื่องกองทุกในเบื้องตน้นอยู่กองทุกมีอยู่แต่ละรายละลายถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันไปเพราะสู้ทายถ้ามารวมกันจํานวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสนุกสังเวียนมากขึ้น แม้ทั้งกลายเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างกองทุกข์ไปด้วยการเสียสินแล้วก็โลกนี้ไมนมีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทําไมมีเพียแต่กองทุกข์นนี้เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกข์มันมีอยู่ตลอดวเวลาเ้าต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้นะขันนี้มันมีแต่กองทุกข์ทำหน้า ถู้จะทําให้ตัวให้พน้นประเยอะจากกองทุกไม่มีความยืดเยื้อในอันใดเลยโดยเห็นความทุกข์เป็นภพยต์ตันอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เล่งความภาคเพลินอย่างอะไรอะไก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพลินความมากความมุสาพยายามความอดความทนก็มากไปทำตามกันเพราะความอยากพ้นสติปัญญาก็พยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำดับถ้าเป็นความนอนใจแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเามีความสุขบ้างเล็กน้อยก่อนนอนใจไปเสียเช่นเดียวกคนไม่มีความฉลาดหาเงนินมาได้บาทสองบาทก่อนจะพยายามเกยบหอมรอมดก็ไม่ซื้ออะไรเคลินไปจำเป็นไม่จำเป็นก็ ไม่สนใจขอทําให้ได้ซื้อจึงกลายเป็นนิสัยอย่างการซื้อการจับจ่ายโดยไม่คํานึงถึงเหียดถึงผลถึงความจําเป็นเวลาจนกรอกจนมุมมาก็หาทางไปไม่ได้เหมือนกันอีกคนคิดเห็นเฉพาะโซตุลร้อนๆไม่คิดคาดการไกลหรือไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ปุถิชาติติปัญญาก็ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจําเป็นจ่ายกับสินใดก็เห็นความันเป็นในสิ่งนั้นเป็นผลเป็นประโยชน์จากความ จาายข้างบนจริงๆถ้าสิ่งที่เก็บไ ว, ว้เพื่อความจําเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้วันนี้เป็นผู้มีปัญญาเรื่องทราบภายนอกที่เรื่องการพยายามสั่งสมชาภายในก็เป็นเช่นเดียวกันแลอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปธาตุในขนาาันธ์ไม่อุดาขาดแคลนบ้านเดือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายใน คืออริยทรัพย์คือทรัพย์ที่พ้นจากข้าศิกโดยประการทั้งปวงนั้นได้แก่บุญแก่กุศลไม่มีกายจะมาแย่งชิงหรือจบชิงยิ่งราวแตได้อันนี้มีมากน้อยเท่ไนไรผู้มีสติปัญญาต้องใครสควรต้องพิจิตริจนาและสั่งสมหรือบูชาบำเพ็ญทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกให้เป็นไปได้วยความสม่าเสมอกัน พวนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยสิ่งนี้ที่เกี่ยวกับวัตถุอามีความเย็นอกเย็นใจเพราะความดีตนก็ได้สร้างไว้แล้วด้วยเวลาพัดพลากจากทางด้านวัตถุมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสําคัญต น, นี้แล้วเราก็ได้อาศัย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 อะไรคําว่าที่ทั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนานั่นนั่นแหละที่พึง ป, ปรารถนานี้อะไรเป็นใจหให้ไปเกิดก็คือความทั่วนั่นเองพาให้ไปเกิดเมื่อเราทราบแล้วอย่างนี้เราก็พยายามบำเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวังแล้วก็สร้างภนาจิตใจของเรามาให้มีความประหมาทวันคืนปีเดือนอา้าล่วงไปล่วงไปความดีของเราก็ให้เป็นไปด้วยความสมองเสมอ ความสำคัญอยู่กับตัวของเราไม่อยู่กับบานคืนปีเดือนเราต้องถือตัวเราเป็นสำคัญละรักษาอย่างไรตัวของเราจึงจะมีความแขบงากร่งปลอดภัยมีความเย็นอกเย็นใจด้วยความดีทั้งหลายเราก็พยายามสร้างให้พอกับความต้องการหรือเป็นความสามารถของเราที่จะเป็นไปได้ัุนี้คือเป็นผู้ถากฐานวนทางทางั้งปัจจุบันแอ น, นาคตให้ตน ไม่สร้างความสร้างนามไม่ปากเสียดตนเองตัง น, นี้ก็มีความรื่นเริงอิทานานตัติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่งเริงบันทึนเปจนานตัตติแล้วโลกนี้ไปแล้วก็มีความรุ่นเริงในรุ่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหนาเป็นสิ่งที่ผููนั่นจะพึงรับตั้งแต่สิ่งที่พึงพอใจเพราะอํานาจแห่งบุญที่ตนได้สร้างไว้แล้ว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 เราอาจจะพูดกันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหงอกตาบอดทําไมเชื่อคนหูดีตาดีคนแคลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโง่ก็กลมในตัวของเรานี้เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอด ก, ก็เต็มในภายในหัวใจทิศทางจะไปเมื่อราบจะไปทางไหนอยู่ไปวันคืนปีเดือนร่วงไปร่วงไปแต่ความโง่มันไม่ร่วงไปถ้าไม่แก้นะดันั้นจึงต้องแก้ความโง่เขลาเบาปัญญาอันเป็นความมืดบอดนี้ออก ให้จิตใจเรามีความสว่างสวัยเชื่อประพทติเจ้าผูมีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักทาที่ว่าพุทธทงสังนังขฉามให้ถึงใจฝาบเป็นฝากตายกับท่านธรรมังสนังขฉามนี้เป็นทำมันประเสริฐเดินโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ การพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมอันเกษมเนี่ยสามคำสนังฉานนี้ท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปเดินลำับท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พ้นภพไปแล้วตามพิเดชภพพุทธเจ้าท่านเราก็ตามรอยทั้งของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนห้างมีธรรมภ า, ายในใจคนที่มีธรรมภ า, ายในใจกิเลสก็กลัว ไม่ใช่กิเลสจะไม่กลัวกิเลสมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าควากลัวเป็นธรรมดาทำวันหมดกิเลสแล้วเป็นแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีมีแต่ความเสมอภาคมีแต่ความสม่ำเส ม, สมอความคงเส้นคงวาคงที่มีงามอยู่อยงนั้นตลอดไปมีม่นใช้กิเลสเป็นงย่างนั้นพยายามหลีกเลี่ยงขวนขวาย ลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหายใจออกอีกเหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปนในหลักธรรมชาติของมันทีละน้อยโดยลำดับแล้วเอากลับกลืนมาไม่ได้แล้วเมื่อหมดไปหมดไ ป, ม, ดไปมันกมันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดอเอาเสียรจริงๆเป็นไม่มีอะไรเหลือนะเมื่อไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วถ้าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าคนตาย ให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจอยามันตายจากคุณงามความดีอลจะเกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสัมพันธ์ก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบำรุงพยายามรื้อฟืน้นขึ้นมาให้เด่นดวงพานาจิตนี่แหนะทาสมบัติอันประเสริฐทใจ สมบัติเ่านั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมดาไม้ในประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแนหะเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้เจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาแต่เวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความความดีที่ยจะเป็นสาระสําคัญภายในจิตใจที่จะไปต่างหลกักต่างฐานในภพชาติต่อไปหากกิเลยังไม่สิน้นเมื่อกิเลสได้สิ้นไปแล้วเพราะความภาบยันอันถึง เหตุถึงผลถึงที่ถึงแดนอันนั้นก็หมดปัญหาไปกลาเป็นหาสมบัติรังพระพุเทธเจ้าท่านจัดสรุปก็คือจัดสรุปถึงมหาสมบัติสาวกบรรลุกบรรลุธรรมที่เป็นมหาสมบัติไม่ต้องมาวกมาเรียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกังหันเนกิดและตายแต่แล้วเกิดจนตัวเองก่อนนับไม่จบไม่สิ้นไม่สามว่าจะนับได้ยังไง เหมือนตามรอยวัวในคอก น, นั่นแหละรอยวัวในคอบมันเป็ น, ย, น, นยังไงมันวกมันเือนมันสับมันสนบุ้นไปหมดตืด่นไปที่ไหนมองไปไหนก็มีแต่รอยวัวมันเต็มเหนื่อคอพอมหยียบย่ําไปมาจนแหลกไปไอให้สักรอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข้าพอมอยู่ในคอบนี่แหละความเกิดความตายมันซ้ําๆำซากๆมันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่ แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องของทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสาเหตุของเกิดความตายได้แล้วความดำสัมพความดำสัมพันธ์ต่งๆมัก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องผิดท้าแห่งทุกข์แห้งหากว่าเรานี้ก็เลยจะเกิดในอันใดสถานที่ใดอยู่ตามเรื่องคนมีกี่เล่ก็ให้เรามีธรรม อันมีความดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยและไม่ร้อนเกินไปจะพอเป็นพอไปในพวกชาติต่างๆความอุตสาห์พยายามความอดความทนเนี่ยเป็นสมบัติอันสำคัญหรือเป็นเครื่องมืออันสาคัญที่จะบุเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความอ่นแอ ม, มีแต่เรื่องตัด รอนตัวเองเรื่องโดยลำดับผลประโยชน์ที่หยุดพึ่จะได้ไม่มีอานจึงสอนให้ละเพราะความบ่นใดความขี้เกียจความมัง่ายมันเป็นเรื่องของจิตเดชทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้ายนของธรรมแล้วก็ตรงตรงกันข้ามทีเดียวทำเพื่อเจ้าให้บ่นใดบ่นใดก็ดีนี้แต่สอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียร นักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามสายนั้นจะยากลาบากแค่ไหนก็ตา่างคงพยายามทําไปดูรลดับนั่นแหละทางของกลาท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านเห็นว่าร้อนนักหนาวานักขี้เกียจสายนักเช้านักดึกนักอะไรท่านไม่ได้ว่านั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจ เห็นว่าหาเรื่องนั้นถ้าจะไปใทางที่ดีจะทำของดีจะทําความดีมีแต่ เ, เรื่องแต่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นขวาบเป็นหนามกั้นทางตัวนเดียวไว้หมดหาทําไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนตมหนามนั่นแหละเนี่ยตอนจะนอนจมหนามไม่คิดเนเอาแต่ความสบายแต่ความสะดวกสบายในยปัจจุบันแต่เรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสะดวกนี้ไม่ได้คํานึงนับศาสตร์ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาคาดหน้าคาดหลัง ให้เห็นอย่างแจ่เจ้งชัดเจนแล้วท่านบอกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันนั่ยสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็ขอให้ตายดีจะทำความเพียรก็ทาได้เวลามีชีวิตอย่เนี้ตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะแก้ตัวก็แก้ในเวลามีชีวิตอยูงนี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลมันก็บอกอย่างนี้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 จิต ใ, ใจที่มีอิจฉาก็ยิ่งทาเส็จสบายยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันเทีเป็นหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้ใครจะต้องการเป็นหน่อยใครจะต้องการเป็นทาาของใครแต่เวลาเป็นทาของกิเลสเราไม่ค่อยจะคำหนึง่งจึงต้องติดอยู่ในห่ว ง, งกิเลกิเดสจึงต้องบังคับบัญชาให้รับความทุกข์ความทารุณเพราะนั้นจึงเห็นกิเลสมันเป็นข้าสศึกแล้วต่อสู้เพื่อเพื่อจะเป็นอิสระ ตัวเอมาต่อสู้มาอยู่ใน่ถอนพิเหรนจะมีมาน้นอยเปลี่ยนไหมันก็สลายตัวไปได้เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การต้านทานการทำลายแต่ก็กลายเป็นอิสระขึ้นมากลายเป็นอิสระแล้วมันอยู่ไหนมันก็สมายทั้งนั้นมีอะไรจะสบายยิ่งกว่าความเป็นอิสระของใจาศาสนธรรมท่านสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆมาโดยลำหนักลำาน ทว่ากว้างก็กว้างทำทว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวพว้นี้แหละเป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งทั่วทั้งการทำดีทำทั่วผลดีผลทั่วสุดทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมด น, นี่คือว่ามโนปุพังคมาธรรมาทําเป็นไหญ่ทาเป็นประธานทําเป็นย้าคัญอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ใใลงที่ตรงนี้ จิตใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มเปไื้อยกองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปได้วยความสุขนี่ผิดกันร่างกายมืดตื้ตามทาาหยาบพองมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ่มตามท่าแห่งธรรมนี่จิต ก, กายเป็นธรรมธาตุภายในใจนยึงเรียกว่าธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสวัยภายในตัวแกคือถอดถอนมลทินนิทะล้างมลทีนทั้งหมด สว่างเป็นที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่มีอำนาจมากที่สุดครอบไปหมดโลกธาตุไม่เหลืคํานึงว่าใกล้ไกลเป็นไปหรือใกล้เป็นไปพอดีตลอดเวลาด้วยความอ่อนความนิ่มนวลของจิตที่พ้นจากกิเลสแล้วนิ่งจนหาที่ปรุงไม่ได้อ่อนจนหาที่ปรุงไม่ได้ครอบหมดโลกธาตุสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ท่านเรียก ว, ว่าอาโลกโกอุดไพรความสว่างกระจ่างแจงได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนี่ย <c oughs> หมดทั้งร่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสําคัญอยู่ที่นี่พยายามปกื่องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ตามกําลังความสามารถเรา จนกระทั่งสุดความสามารถตัวนั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจพาอยู่ภายในจิตและครองมหาสมบัติสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความมือสุดแห่งใจขอให้นำไปพินิจพิจรารณาการแสดงทํามเพเห็นว่าสมควรจงเวลา การยุติการทุน